สานีวิดิโอครากลว่าวสอนรอยเฟมร้อกลมาพบกันอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าพร ะ, พระมหาภัยบุณอภิปุนโนในช่วงต้นสัปดาห์ทัพุฟังสาวันแรกที่ข้าพเจ้าจะมาพบกันทัพุฟังในวันจันทร์วันอารและวันพุธนี้ก็จะได้ให้ฟังนิทานที่เกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์บางทีก็ตรัสเป็นคาถาเป็นคาบูทาน เป็นคำกรอนอะไรต่างๆออกมาแล้วก็มีครูบาอาจารย์ที่ท่านได้แต่งเรื่องราวเป็นนิทานที่อิงข้อมูลความจริงบ้างเป็นเรื่องแต่งบ้างมาประกอบกันกันกบในคาถาต่างๆเหล่านั้นคือเพื่อที่จะให้ทราบถึงที่มาหรือว่าทำความเข้าใจในคาถาในบทพยัญชนะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้ทำความเข้าใจในตรงนั้นให้มีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น แต่วันนี้ก็จะได้ให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของท่านพระโสนะกุติกันนะซึ่งท่านนั้นก็เป็นลูกศิตของท่านพระกัจจานะซึ่งท่านอยู่ในดินแดนที่ห่างไกลออกไปจากที่พระพุทธเจ้าอยู่ซึ่งในดินแดนตรงนี้เขาก็เรียกว่าปัจจันตะนครหรือว่าปัจจันตชนบทก็คือหมายถึงหัวเมืองชายแดนที่ไกลออกไปเมืองที่ท่านพูดถึงนี้ก็คืออยู่ในประเทศที่ชื่อว่าอาวันตี อยู่ในเมืองกุรกคระนคร์เรามาฟังเรื่องราวของท่านพระโสรณกุติกันนะเรื่องราวตัวนี้น่าสนใจใตรงที่ว่าคนทําความดีก็ได้ดีแต่เป็นเรื่องราวของโจรที่จะมาปล้นแม่ของท่านและในที่สุดท่านก็สามารถทําให้โจรเหล่านั้นกลับใจได้แล้วก็บวชอยู่กับท่านและในที่สุดก็ได้บรรลุธรรมและในนิทานเรื่องนี้ก็จึงได้พูดถึงเรื่องของภิกษุเหล่านี้แหละ เรื่องภิกษุหลายรูปด้วยกันเรื่องภิกษุหลายรูปพระศาสดาเมื่อประทับอยู่นะพระเชตวันทรงรารมภิกษุหลายรูปตรัสรัต ร, ร, รมเดศนานิว่าเมตตาวิหารีคือการอยู่ด้วยเมตตาเป็นต้นความพิสดารว่าสมัยหนึ่งเมื่อท่านพระ มหากาชานะพักอยู่ที่ภูเขาใกล้เมืองกุระระครังในอวันตีชนบทอุบาสกชื่อโสนะกุติกันนะเลื่อมใสในธรรมกถาของพระเทระยากบวชอยู่กับพระเทระแม่พระเทระห้ามถึงสองครั้งว่าโสนะการประพฤติปรมจันต้องฉันหนเดียว นอนผู้เดียวตลอดชีพทำได้ยากนะเธอนั้นก็เป็นผู้เกิดอุตสาหะอย่างแรงกล้าในการบันปชาวิ่งวอนพระเถระในครั้งที่สามจึงได้บันปชาและเราในทักษินาปตะชนบทนั้นมีพิษสูน้อยอีกสามปีจึงได้อุปสมบทเธอนน้นได้ปรารถนาจะเฝ้าพระาศาสดา เฉพาะพระ พ, พักจึงอำลาพระอุปชายะนำข้อความที่พระอุปชายะฝากให้แล้วเดินทางสู่พระเชตวันโดยลำดับถวายบังคมพระาศาสดาได้รับการปฏิสันต์แล้วพระาศาสดาทรงอนุญาตให้พักอยู่ในพระคันธกุฎีเดียวกันกับพระองค์ในเวลาค่อนคืนท่านพักอยู่ข้างนอก หลังค่ำคืนจึงเข้าไปในพระคันธกุฎีพักที่ที่นอนอันถึงแล้วแก่ตนในเวลาใกล้รุ่งเมื่อพระศาสดาทรงเชื้อเชิญได้สวดพระสูตรทั้งหมดที่บกพระสูตรเป็นอัตตกวครคด้วยทํานองสารพัญญะครั้งนั้นในเวลาจบสรพัญญะเมื่อจะทรงอนุโมทนาเป็นพิเศษพระผู้มีพระภาค จีได้ประธานสาธุการแก่ท่านว่าดีละดีละภิกษุเทวดาผู้อยู่บนพื้นดินนาคและครุธจนถึงปรมโลกฟังสาธุการที่พระาศาสดาประธานแล้วได้เปล่งเสียงสาธุการเป็นอันเดียวกันทีเดียวในขณะนั้นเทวดาผู้สิงอยู่ในเรือนของมหาอุบาสิกา ซึ่งเป็นมารดาของพระเทระในเมืองกุระระคระอยู่ไกลจากพระเชตวันประมาณ120โยชน์ก็ได้ให้สาธุการด้วยเสียงอันดังเช่นเดียวกันมาหาอุบาสิกาจึงถามเทวดานั้นว่านั่นเป็นใครให้เสียงสาธุการเทวดาเป็นเราเองน้องหญิงมาหาอุบาสิกาก็าท่านเป็นใครเทวดา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 พักอยู่ในพระคันธกุดีเดียวกันกับพระศาสดาสแสดงธรรมแก่พระศาสดาพระศาสดาส่งสดับธรรมะจากบุตรของท่านส่งเลื่อมใสจึงได้ประทานสาธุการเพราะเหตุนั้นเราจึงได้ให้สาธุการแก่พระเทวะนั้นด้วยเพราะนับตั้งต้นแต่เทวดาผู้อยู่บนพื้นดินจนถึงบรมโลกได้ยินเสียงสาธุการ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 ทูลขอผ่อนห้าประการกับพระศาสดาฝ่ายพระโสนเองเมื่อพระศาสดาประทานสาธุการแล้วคิดว่าเวลานี้เป็นเวลาสมควรที่จะกราบทูลข้อความที่พระอุปชัยยะฝากให้มาจึงทูลขอผ่อนห้าประการกับพระผู้มีพระภาคเจ้ามีการอุปสมบทด้วยคณะสงฆ์มีพระวิเนัยตอนเป็นที่ห คือมีภิกษุวินัยตอนเปยนที่หคือมีภิกษุผู้นั่งปรกจำนวนหรูปได้ในปัจจันตดจนบทเป็นต้นและได้พักอยู่ในสำนักของพระสัส ด, สดาอีกสองถึงวันก็ได้ทูลลาพระสัส ด, สดาด้วยคำว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์จะกลับไปเยี่ยมพระอุปรชาชพระเจ้าค่าแล้วพระโสนานั้นก็ได้ออกจากพระเชตวัน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 ถ้าบุตรของเราแสดงธรรมกถาแก่พระศ า, าสดาได้ก็จะแสดงธรรมแก่เราได้เช่นเดียวกันครั้งนั้นมหาอุบาสิกาจึงนิมนต์ท่านด้วยคำว่าพ่อเมื่อท่านแสดงธรรมเฉพาะพระพรักดของพระศ า, าสดาได้ก็ขอให้ท่านแสดงธรรมให้กับโยมบ้างในวันนน้นโยมจะจัดให้มีการฟังธรรมและฟังท่านแสดงธรรม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 มีซุ้มประตูเจ็ดซุ้มทุกๆุกซุ้มประตูล่ามสุนักดูเอาไว้อหนึ่งตรงที่น้ำตกจากชายคาบ้านหลังในเขาขุดคู่ใส่ดีบุกจนเต็มเวลากลางวันพอแดดเผาดีบุกนั้นเหมือนละลายเดือดพล่านอยู่ในเวลากลางคืนก็กลายเป็นแท่งแข็งกระด้างเขาปาก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 จึงไปหาอุบาสิกาเรียนว่าคุณนายโจรเปน็นนันมากเข้าไปในบ้านงันประตูห้องเก็บกรหาปะนะได้อุบาสิกาบอกว่าพวกโจรจะขนเอากรหาปะนะที่พบไปก็ตามใจฉันจะฟังบุตรฉันแสดงธรรมเจ้าอย่าทำให้ฉันพลาดจากการฟังธรรมเลยจงกลับบ้านไปดังนี้ฝ่ายพวกโจรขนกรหาปะนะไปจนหมดห้อง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 อย่างนี้แล้วจึงไปหาพวกโจรแล้วสั่งบ่าพวกแก่จงขนเอาสิ่งของของอุบาสิกาไปไว้ตามเดิมโดยเร็วโจรเหล่านั้นก็ขนกระหาปะนะเงินและทองไปเก็บคืนให้ทุกห้องตามเดิมได้ยินว่าข้อที่ธรรมะรักษาผู้ประพฤติ ธ, ธรรมนี้เป็นกฎธรรมดาประเหตุ น, นั้นแลพระผู้มีพระภาคเจ้า จึงได้เคยตรัสคำที่เป็นคาถาว่าธรรมะแลย่อมรักษาบุคคลผู้ประพฤติ ธ, ธรรมธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำสุขมาให้นี้เป็นอนิสงของธรรมะที่บุคคลประพฤติดีแล้วผู้ประพฤติ ธ, ธรรมย่อมไม่ไปสู่ทุกติดังนี้พวกโจรได้ไปรวมอยู่ในที่ฟังธรรมฝ่ายพระเถระ แสดงทมเรื่อยไปจนสว่างจึงลงจากอาสนะในขณะนั้นหัวหน้าโจรหมอบลงที่เท้าของอุบาสิกาแล้วพูดว่าคุณนายได้โปรโดยกโทษแก่ผมเถิดอุบาสิกานี่เรื่องอะไรกันพ่อหัวหน้าโจรผมผูกอาฆาตในคุณนายประสงค์จะฆ่าคุณนายจึงได้ยืนคุมเชิงอยู่อุบาสิกา ถ้าเฉะนั้นฉันยกโทษให้ตอนพวกโจรเลื่อมใสขอบวชกับพระโสนะพวกโจรที่เหลือก็ได้ทำอย่างนั้นเหมือนกันเมื่ออุบาสิกาพูดว่าพราทั้งหลายฉันยกโทษให้นะพวกโจรนั้นจึงพูดว่าคุณนายถ้าว่าคุณนายยกโทษให้แก่พวกผมใช้ขอคุณนายอนุญาตให้ผมบวชอยู่กับบุตรของคุณนายเถิด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 ให้ตั้งอยู่ในศีลครั้นพวกเขาอุปสมบทแล้วพระเตระได้ให้กรรมฐานหนึ่งอย่างต่อภิกษุหนึ่งรูปภิกษุ900รรูปจึงเรียนกรรมฐาน9้าอย่างต่างกันไปแล้วพากันขึ้นไปสู่ภูเขาลูกหนึ่งนั่งบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ใต้ร่มไม้ต่างๆพระศาสดานั่งประทับอยู่นะพระเชตวันมหาวิหาร ใกลออกไปถึง120่งร้ี่โยติเดียวทรงตรวจดูภิกษุเหล่านั้นทรงพิจารณาเห็นพระธรรมเทศนาที่เหมาะสมกับความประพฤติของเธอเหล่านั้นทรงเปล่งพระรัศมีไปพระหนึ่งว่าประทรับนั่งตรัสอยู่ตรงหน้าและได้ตรัสพระคถาเหล่านี้ว่าเมตตาวิหารโยพิคุประสันโนมพุทธศสาสเสน อ ะ, ะที่คเฉปะทังสันตังสังขารูปะสมังสุขังสินจะพิขุอิมังนาวังสิตาเตลหุเมสติเชตบารากันจะโทสันจะตะโตนิพานะเมหิสิปัญจะชินเทปัญจะเฉเหปัญจะอุตริภาวเย ปัญจะสังคาติโคภิกขโอตินโนติวุจติชาะภิกขมาจะปามะโทมาเตกามะคุเนพระมะสุจิตังมาโลหะกุลังคิริปามะโตมากันที่ทุกขะมิทันติไทหะมาโนนาติชานังอปัญญสะปัญญาณติอาชายโต ยะมะหิชานัจจะมัญญาจะสะเวนิพานะสันติเกสนญญาคารังปรวิทัสสะสันตจิตตสสะพิกุโนอะมานุสีระตีโหติสัมมาธรรมังวิปัสะโตยะโตยะโตสัมมาสติขันธานังอุทยั พ, พยังละปะตี ปีติปาโมชังอะมะตังตังวิชานตังตัตรายะมาทิภวติอิทปัญญสะพิกุโนอินทริยะกุติสันตุถีปาติโมเกจะสังวโรมิเตพระชัสสุกัลยาเนสุธาชีเวอตันติเตปฏิสันทาระบุตรยัสสะ อาจาระกุสะโลสิยาตะโตปาโมชะพะหุโลทุกขสันตังกิตติแปลว่าภิกษุใดยอยู่ด้วยเมตตาเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาภิกษุนั้นพึงบรรลุสันตบทอันเป็นที่สงบประงับสังขารเป็นสุขภิกษุเธอจงบิดเรือนี้ เรือที่เธอวิจแล้วจะแล่นเร็วเธอตัดราคะและโทสะได้แล้วจากนั้นจับรรลุพระนิพพานเธอพึงตัดธรรมะห้าอยา่างพึ่งละธรรมะห้าอยา่างและพึ่งเจริญคุณธรรมห้าให้ยิ่งขึ้นภิกษุผู้ล่วงกิเลสเรื่องคล่องห้าอย่างได้เราเรียกว่าผู้ข้ามโอคาได้ภิกษุ เธอจงเพ่งและอย่าประมาทจิตของเธออย่าเบียนไปหากามกุลเธออย่าเป็นผู้ประมาทกลืนกินก้อนเหล็กแดงในนรกเธออย่าถูกไฟเผาคร่ำครวญอยู่ว่านี้ทุกจริงฌานย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีปัญญาปัญญาย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้ไม่มีฌาน ฌานและปัญญามีอยู่ในบุคคลใดบุคคลนั้นแหละชื่อว่าอยู่ใกล้พระนิพพานความยินดีอันไม่ใช่ของมนุษย์ย่อมมีแก่ภิกษุผู้เข้าไปสู่เรือนบ้างผู้มีจิตสงบผู้เห็นแจ้งซึ่งทำโดยชอบขณะใดภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปในกันทั้งหลายขณะนั้นเธอย่อมได้ปีติ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 ที่ไม่เกียรกรนันภิกษุพึงรู้จากการปฏิสันตาลพึงเป็นผู้ฉลาดในอาจาระเพราะปฏิบัติตามคุณธรรมดังกล่าวนั้นเธอจะเป็นผู้มากด้วยปราโมททำที่สุดแห่งความทุกข์ได้ดังนี้ในจำนวนพระคาถาที่พระาศาสดาทรงแสดงนี้เมื่อจบพระคาถาแต่ละคาถามีจำนวนภิสุได้บรลุอารหัต พร้อมด้วยปฏิสัมพิทาครั้งละหนึ่งรอรูปนะที่ตนนั่งนั่นแหละภิกษุเหล่านั้นทั้งหมดห อ, อกขึ้นไปสู่ท้องฟ้าเมื่อพ้นทางกันดาล120โยชน์โดยระยะทางอากาศได้สันเสริญพระสิรระซึ่งมีสีดุดทองของพระตถาคตเจ้าถวายบังคมแล้วแหลเรื่องภิกษุหลายรูป เป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้สำหรับในเรื่องนี้ท่านผู้ฟังที่ท่านพระกจานะฝากท่านพระโสณนะกุติกันนะไปขอพระพุทธเจ้าขอพรหข้อและซึ่งอันนี้ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับในทางวินัยของพระที่โดยปกติเนี่ยเวลาที่พระจะบวชก็ต้องมีพระสงฆ์ทั้งหมด10รูปด้วยกันเป็นวิธีการบวชที่เราใช้อยู่ในสมัยปัจจุบันก็เรียก ว, ว่า ยติจตุตกรรมนั่นก็คือการขอมติของสงฆ์ที่จะต้องมีสงฆ์จานวน10บรูปทีนี้ในชายแดนที่มันไกลที่มันธุรกันดารเนี่ยการจะหาพระ10รูปนี่บังทีได้ยากท่านก็เลยขอผ่อนปลนให้เหลือแค่5้ารูปอันนี้คื อ, อข้อที่1ข้อที่2ก็คือว่าขอให้ใช้รองเท้าที่มีหลายชั้นได้เพราะว่า ในหุ้มเมืองชายแดนเนี่ยเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเลี้ยงปศุสัตว์กันมากดินมันก็จะเป็นอีกลักษณะหนึ่งก็จะมีความคมความอะไรท่านก็เลยขอผ่อนปรนในข้อที่สองในข้อที่3ก็เรื่องของการอาบน้ําในข้อที่4ี่ก็คือการใช้เครื่องปูลาดที่ทําด้วยหนังนั่นคือทั้ง5้าข้อเนี้ยเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับเรื่องของวินัยคือการปฏิบัติของพระซึ่งในบริบทหรือว่าสานการเหตุการณ์ที่ เกิดขึ้นในหัวเมืองชายแดนมันก็จะมีความแตกต่างกับในเมืองหลวงก็เลยมาขอพระพุทธเจ้าก็ได้ผ่อนปลนให้ในเรื่องที่สองที่จะได้ฟังในวันนี้ท่านผู้ฟังเรื่องของเจ้าสุปาพุทธซึ่งลูกของเจ้าสุปาพุทธะเนี่ยก็คือภรรยาของเจ้าชายศรีสตา น, นั่นเองตอนก่อนที่พระพุทธเจ้าจะมาบวชเนี่ยก็มีภรรยาคนหนึ่งจะมาเป็นมเมสีซึ่งมเมสีหรือภรรยานี้ ก็คือลูกของเจ้าสุ ป, ปพุทธะแล้วก็เจ้าสุ ป, ปพุทธะนี่มีลูกอยู่สองคนคนหนึ่งนี่ก็แต่งงานกับพระพุทธเจ้าเป็นลูกสาวอีกคนหนึ่งก็คือมาบวชก็คือท่านพระเทวทัตก็เลยมีความเครียดแค้นกันแต่ามาฟังเรื่องของเจ้าสุ ป, ปพุทธะในที่นี้ท่านผู้ฟังเรื่องเจ้าสุ ป, ปพุทธะสากยะตอนเจ้าสุ ป, ปพุทธะแกลงนั่งปิดทางเสด็จ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 อีประการหนึ่งในวันหนึ่งเจ้าสุปปุตนั้นได้มีความดํารีว่าก็ในบัด น, นี้เราจะไม่ให้พระสมณโครมนั้นไปฉันยังสถานที่นิมนต์ได้ดังนี้จึงปิดทางเป็นที่เสด็จไปนั่งเสวยน้ำจันในระหว่างทางลำดับนั้นเมื่อพระาศาสดา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 ฟังคำของพระสมณโคดมนั้นแล้วกลับมาตอนเจ้าสุปาพุทธะทำกรรมหนักจะถูกแผ่นดินสูบแม้พระาศาสดาเสด็จกลับมาทรงทำการแย้มประโอดพระอนุนเทระทูลถามว่าค้าแต่พระองค์ผู้เจริญไรหนอแลเป็นปัจจัยแห่งกรรมคือการแย้มประโอด ให้ปรากฏพระชก้าอานน์เธอเห็นเจ้าสุปาปุตตานั้นไหมเห็นพระชก้าเจ้าสุปาปุตตานั้นไม่ให้ทางแก่พระพุทธเจ้าผู้เช่นเราทำกรรมหนักแล้วในวันที่เจ็ดจากวันนี้ท้าวเจอจะเข้าไปสู่แผ่นดินคือถูกตรรณีสู่นะที่ใกล้เชิงบันได ในภายใต้ประสาทจารบรุตรคือคนสอดแนมได้ฟังพระดำรัสนั้นแล้วไปสู่สำนักของเจ้าสุปปุตตะถูกพระองค์ตรัสถามว่าหลานของเราเมื่อกลับไปพูดอะไรบ้างจารบรุตรจึงกราบทูลตามที่ตนได้ยินแล้วพาวเถอรนั้นได้สดับคำของจารบรุตรนั้นแล้วตรัสว่า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 ตอนจะนีผลแห่งกรรมชั่วย่อมไม่ผลพระศาสดาทรงทราบเรื่องนั้นแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเจ้าสุภะพุทธะมิใช่จะนั่งบนพื้นปราสาทอย่างเดียวต่อให้เหาะขึ้นไปสู่เวหาดนั่งในอากาศก็ตามหรือไปสู่สมุดด้วยเรือก็ตามเข้าซอกเขาก็ตาม ธรรมดาพระดำรจของพระพุทธชาติทั้งหลายจะเป็นสองไม่มีแล้วเธอจะถูกธรณีสูบในสถานที่เราพูดไว้นั่นแหละเมื่อจะส่งสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงได้ตรัสพระกาานิว่านะอันตาลิเกณนะสมุททามเชนะปัปพระตานังวิวะรังบวีสัง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 ก็ไม่ผลจากกรรมชั่วได้เพราะเขาอยู่แล้วในแผ่นดินส่วนใดความตายพึงครอบงาไม่ได้แผ่นดินส่วนนั้นหามีอยู่ไม่ดังนี้แหละในการจบเทศนาชนเป็นนันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัติผลเป็นต้นดังนี้แหละตอนเท้าเธอถูกแผ่นดินสูบ เกิดในอเวจีนรกในวันที่เในเวลาคล้ายกับเวลาที่เจ้าสุปปะพุทธปิดหนนทางพิขาจารของพระศาสดาม้ามงกุลของเจ้าสุปปพุทธในภายใต้ประสาทคึกขนองกระแทกแล้วที่ฝานั้นๆเท้าเธอประทับนั่งอยู่ชั้นบนนั่นเองได้สดับเสียงของม้านั้นจึงตรัสถามว่า นั่นอะไรกันพวกมหาเล็กทูลว่าม้ามงคลขนองพระชก้าส่วนม้านั้นพอเห็นเจ้าสุปปุท ธ, ธก็จะหยุดนิ่งขนาดนั้นเองแล้วเธอมีพระประสงค์จะจับม้านั้นได้เสด็จลุกจากที่ประทับบายพระพักมาทางประตูประตูทั้งหลายเปิดเองทีเดียว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 เท้าเธอก็จับที่ประสอเที่ยวแล้วผลักให้มีประพักเขมำลงไปโดยอุบายนั้นประตูที่พื้นทั้ง7ก็เปิดเองทีเดียวบันไดทั้งหลายตั้งอยู่ในที่เดิมพวกคนแข็งแรงที่ประจำอยู่ในชั้นนั้นนั้นก็จับเท้าเธอที่ประสอแล้วผลักให้มีพระพักเขมำลงไปขณะนั้น พื้นแผ่นดินนี้แตกแยกออกคอยรับเจ้าสุปปพุทธนั้นพูดถึงที่ใกล้เชิงบันไดที่ภายใต้ปราสา์นั่นเองเทาาเตอไปเกิดแล้วในอววจีมานรกนั่นนี้แหละ